การประชุมกันเมืองนิดจึงเป็นเหรือว่าเป็นทพิสั้แห่งความไม่เกลียนเป็นพิสัยแ่งความเกเรทุกเดือนให้รวมประชุมเมื่อประชุมกันจะสร้างพียงกันกรประชุ ม, ชมเมื่อเริ่มประชุมจะสร้าพียงกันเริ่มแล่ถ้เพียงกันำทำเกลียดผู้สูงจะต้องทำในสิ่ ง, งนั้น ให้สำเร็จพร้อมกันอย่างจะมีเที่ยวส่งอะไรอันหนึ่งที่จะเกิดขึ้งถ้าเราพร้อมกันคนเราจะนอนพูดง่ายเรียกการเริ่มจากความโห้สนหนึ่งเอัศวนแตะเท้ยนะไอ้คนปวดหัวนะไอ้คนเก็บอันหนึ่งนะเพราะนั้นคนไปขึ้นขึ้นมันจะพัลละมันก็น้อยล มันจะกระลุกเ้าาต่างคนต่างนีไปของน้อยมันก็มากความที่จะต้องทำเส็จสองนาทีทำตั้งสามสิบนาทีมันเป็นเสร็จเพราะนั่นเป็ น, น, นยั ง, งไงคะเพียงการสะสมพอแล้ว15ห้าวันโดยปกติที่ห้าวันพวกเราทางไหลมันัะคุมการคืนอ จัดที่ระดัการประชุมกันเมองริ ด, นนด เ, าารเนีน่ยพร้อมแต่เป็ปวดในเ่ยวการทุบคลีกันเมองนิดการประชุมกันเมองนิสกับการทุบคลีกนันเมืองินี่มันต่างกันการทุบคลีกนันเมียนิสมันทาลายไม่ว่าทุมไหนไปช่างเถอะถ้าทุบคลีกนันเมองริเดียวทำลายทาลายหลายอย่าง ขึ่งจัดโดยข้อใหญ่ใหญความมากไม่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลยเรื่องทุกข์ครีกันเนืองนิดไม่ใช่เป็นคำไม่ใช่เป็นดีนไม่ใช่เป็นคําสอนของสถาพ์ดังนั้นการในกลุ่มใดทุกข์ครีกันเนืองนิดมันจึงไม่เจริญเฉื่อมมันเึ่งเฉื่อมให้เข้าใจการประชุมกันเนืองนิด การคุกครีกันเมืองนิดนี่มันคนละอย่างกันให้เข้าใจโดยมากมันชอบอยากจะเป็นการคุกครีกันเมืองนิดเพราะว่ามันเป็นไอคิริของคนมันชอบไหลไปในที่นั่นไปชอบเล่นไปชอบพูดสิ่งที่ไม่เป็นสาระตามคิริกันหาของมนุษย์เราพูดเล่นพูดเล่น พทษสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ในเป็นสาระแล้วมันกิดสนุกกันไอคนเรามันมีจิตอยู่แล้วแล้วไปพูดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นในเป็นสาระมันจะเกิดสนุกทั้ทงทั้งที่มันไม่ควรมันก็สนุกทั้งทั้งมันผิดมันก็สนุกในความสนุกสนานขึ้นพับผมแล้ก็ดูตัว อันการคุกคีกันในยุติมีเหตุเกี่ยวมากหนึ่งพระเนเรมมนเนนไม่เคารพ ก, กันพระเมนรไม่ค่อยเคารพ ก, กันลองดูก็ได้ผลมันเกิดขึ้นมาเลยไม่เคารพเมื่อความไม่เคารพเกิดขึ้นมานั้นมันจะมีอะไรไห ม, มเมื่อความไม่เคารพเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมไปแล้ว น, นี่ยคิด อันนี้สันริงว่าการคุกคีกันนี่พระพุทธองค์สันติงสอนว่าไม่เป็นธรรมไม่เป็นดีในไม่เป็นคาสั่งสอนของพระศาสด า, ศ า, ศาส่วนนี้ควรละไม่ควรปฏิวัติตามควรเลิกนี่ให้เราเข้าใจอย่างนั้นการประชุมกันเนืองนิดเช่นว่าการประชุมกันวันนี้เพื่อทํามกังวลกับก ยกศิขาบทีไนทีปาทีโมซึ่งเป็นปากเป็นทางนี้ขึ้นแสดงโดยเป็นภาษามคตถึงแม้ว่าเรายังไม่รู้จักภาษามคตก็เกิดประโยชน์ถ้าเราทิ่งภาษามคตมีไปเสียมันก็ยิ่งเสื่อมเลยทีนี้ การแสดงปาติโมกเป็นภาษามคตก็ยังไม่สมบูรณ์กับผู้ฟังแต่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบแต่ยังไม่สมบูรณ์การเข้าใจของเราอันนี้ก็เป็นเหตุให้เราพิจารณาอีกทีจะต้องไปดูหลักปาติโมก ค, คืออยู่นวโกว่า น่ะว่าโอวาคือเป็นโอวาทเป็นคำสอนของผู้ใหม่จะต้องรู้ตรงนั้นมันเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจให้รู้เรื่องเมื่อเราเข้าใจภาษาไทยอ่านเนี่ยจะรู้เรื่องภาษามาคตว่าในพระปฏิโมกข์มีอะไรบ้างคนที่สนใจจะต้องเป็นผิดอย่างนี้ อันนี้ต้องสนใจสิดคาบทอันรายที่เรายังไม่เข้าใจต้องใส่ถามให้เข้าใจในคิดคาบที่นั้นสิิงที่ไม่เข้าใจก็ไม่ศึกษาไม่ใส่ถามไม่พิจารณาเรียกว่าเราไม่เอาใจใส่การไม่เอาใจใส่นั่นเียกการที่ไม่เกี่ยวัเพื่ต่อทำนีในทิด ใครในเอื้อเพื่อต่อพวินัยสิดจะถือว่าเราไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้จะต้องพยายามถามจะต้องพยาพยามเปียนมันมีลำดับตำรานี่ผู้ที่เลือกเฟื้อในหลักพระธรรมวินยัยจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องหาโอกาสที่จะต้องพยายามอ่านพยายามศึกษาโดยตนเอง อะไรสงสัยจาไว้เรียนถามสู่บาอาจารย์ตรงนี้ไหมความว่าอะไรมีความหมายอย่างไรจะได้เข้าใจนี่เรียกว่าผู้ในประมาทที่ผู้ประมาทนั้นก็เรียก ว, ว่าแสดงพระปตาิโมกข์ก็นั่งฟังเป็นภาษามคตไม่เข้าใจก็ไม่ใจถามไม่เอื้อเพื่อ ก็ลอยทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปมันไม่รู้ถ้าว่ามันไม่รู้จะต้องทำอย่างไรนะมันไม่รู้มันก็ไม่ดูจัด ก, การจะทาไม่รู้ว่ามันผิดไม่รู้ว่ามันถูกอะไรที่จะควรละอะไรที่จะควรมาเพนก็ไม่รู้เรื่องอันนี้ผู้ประพฤติปฏิบัติเราแล้วมันโง่อย่างเนี้ย มันในครบตัวฉะนั้นการประชุมกันยนังนิดนีเกิดประโยชน์มากในครั้งพุทธกาลวันอุโมสถมีพระมหากัจจะเป็นประธานเป็นตัวอย่างถึงแม้กานจะอยู่ห่างไกลพระพุทธเจ้าก็ดีท่านพยายามเดินผ่านแดด ผ่า น, นานโซนผ่านโซนผานต ม, มเป็นผู้กระตุ้เพื่อจะมุ่งเข้ามาประพฤติปฏิบัติข้อวัดอันนี้ให้มันจเจริญที่เรียกว่าปาจิโมะที่เรียกว่ามันประชุมกันเมืองนี้นี่ให้มันจเจริญเจริญขึ้นมเมื่อประชุมประความเพียงกันประชุมเมื่อเริกประชุมก็ะค้อมเทียนกันเลิก มันมเป็นประโยชน์ทั้งสมณะเป็นประโยชน์ทั้งฝ่ายเทระวะฉะนั้นธรรมะข้อ น, นอนี้คาสอนข้อนี้ตัณจิงว่ามันเป็นธรรมที่เจริญไม่เสื่อมจาเป็นคำสอนที่ถูกต้องเป็นปริญญาควารศึกษาอย่าไปถือว่าเราไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้จะต้องศึกษาแคต้องไปถาม จะต้องเอือเฟื่อถ้าไม่เอืเฟื่อเป็นนบัตเป็นนบัตทุกข์กุไม่ได้เอืเฟื่อแต่เรื่องมันเป็นนบัตทุกข์กุศลก็จริงแต่ว่ า, าเฉพาะที่ว่าไม่เอือเฟื้อไม่เอาใจใส่เป็นนบัตทุกข์กุถ้าเราทําสิดพลาดไปจนเป็นประติกระชดเพราะไม่รู้จักไม่เอือเฟื้อ อันนี้มันเป็นเหตอย่างร้ายแรงฉะนันการกระทำกันวันนี้เดียก ว, ว่าอาทำตามการตามสมัยที่นี่ผมเลยมาอยู่นี่เช่นว่าวัดส่างๆเช่นว่าวัดบัด น, น้องโกซึ่งเขาสบายดีนี้ผมจึงกำชับญาติโยมเขาว่าวัดบัด น, น้องโกเนะี่ยมันอยู่ห่างไกลจากวัดต้องประพงษ์ แต่ว่ามันก็มีทางสะดวกบวชญ า, าตโยมผู้ประาชาถ้า ย, ยากจะไดคะเอาไปแล้ววันอุโบสถต้องหายานภานกมาส่งกรมาทําอุโบสถมันพอที่จะมาได้ไม่ใช่มันขัดท้องอะไรมากมายก็มารวมกันเมื่อมารวมกัน1ิบห้าวัน เมื่อมารวมมันมีอะไรบ้างที่เป็นธุระหน้าที่ของเราที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องมาพูดกันทางกัน ร, ระยาธิห้าวันมันคงมีละถ้าอะไรมันขัดขวางอยู่ในหมู่ข้อปฏิบัติของพวกเราเนี่ยเมื่อพูดขึ้นมาคนที่มาประชุมกันเข้าใจได้ฟัง ได้ฟังได้ฟังก็เข้าใจเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าเข้าใจแล้วแล้วก็ทําถูกต้องไปหรือทํางานจเจวลานั้นเอาตอนนั้นเวีรานี้เอาตอนนี้ในที่ประชุมตกลงกันเมื่อไปทํากันมันก็พร้อม ก, กันอพร้อมอกันเมื่อเราไม่มาประชุม่ะคนที่มาประชุม่ะไม่มาประชุมไม่รู้เรื่องกัน มาปฏิบัติมันก็แยกกันไนคนนี้ทาคนนั้นไม่ทาเล่วุ่น ไ, ไ, ไ, ไปเลยเพรฉะนั้นมันจงึงเป็นที่ตั้งแห่งความเสี่ยงถ้าเราขาดการประชุมการนี้มีพระมหากสปสะเถระกรุงใหญ่เป็นประธานท่านเป็นผู้เอาใจใส่ในการทามโบสถ์นี้นอกจากนั้นก็ยังได้ไปเข้าใจ ในสิขาบทของเราที่จะต้องทำเป็นธุระหน้าที่ของเราเพราะว่าหน้าที่ของเราที่อย่างอื่นมันก็เป็นธุระหน้าที่ของเราเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นโดยอ้อมโดยตรงจริงๆนล้ก็คืออันนี้คือพระธรรมในเนี่ยให้เข้าใจอันอื่นส่วนมากมีก็จริงแต่ว่ามันเป็นอาจริงงานหน้าจรก งานมาทีหลังเรื่องมันตรงนี้คือเรื่องจิตของสงฆ์เมื่อจิตของสงฆ์เกิดขึ้นจิตของเราข้างอยู่ที่เราเหยียดข้าเป็นส่วนตัวของเราเมื่อถึ่งคราวนั้นพร้อมกันกอดมั้ยหรอพร้อมกันจับน้ำหรือพร้อมกันทําอะไรึงเป็นจิตขงนี้ ไอ้จิตส่วนของเราเนะ่เอาไว้ก่อนวางไว้เอาไว้นะี่ต้องช่วยกันทำจิตสึงในเรียบร้อยก่อนนี่เป็นสิ่งที่สำผัสมากเป็นพระนาทีของพวกเราที่จะพร้อมกันตามสีกันจะไปแยกจากวัตถะคงหรืออยู่ที่ไหนประตามทีเถอะคนเรา้าไม่เคยได้พูดกันไม่เคยไดสังคมกัน มันก็ห่างไปดิห่างไปดิเหมือนมีดของเราไม่ไปยจะได้รับมันก็เกิดสนิมเท่านั้นเนี่ยนานๆไปนานๆไปก็ไม่อยากใกล้ครูบาอาจารย์เมื่อใกล้ครูบาอาจารย์ไปเท่าไรยิ่งทาตามอำนาจใจของเรารู้อยู่ก็ต้องทําทําไปทําไปมันมีความผิดในใจของเราอยู่ก็ยิ่งเพิ่งความรู้สึกขึ้นมาก ที่จะไปรวมสูงที่ประพฤติดีประพฤติชอบเราไม่ไม่อยากจะไปจะต้องหาเรื่องดีอะไรอันหนึ้งกันหน้ากลัวกลัวครูบาอาจารย์กลัวสงจะยกข้ออันนั้นขึ้นมาในสูงยิ่งตัวยิ่งไร้ตัวออกจากความดีจากพระธรรมในนัยน์มันจอา ย, ยไปดิเดเมบาเพื่พอฟอกธรรมชาติหรือก็มไม่ได้เรื่องจะออกไปจากเพื่อน ออกไปแล้วก็เลยเกิดเป็นสังคมมันเปลี่ยนออกไปเปลี่ยนออกไ ป, ไปเต็นเลยนะอืมเพราะฉะนั้นการประชุมกันเมืองนี้ที่เกิดประโยชน์มากเพรานั้นพวกเราทั้งหลายจึงตั้งอันนี้มาช่วยกันบํารุงอันนี้ขึ้นทุกคนเปนเส้นวัดก่ อ, กอนหน้า เปนวัดน้องโกถ้าหากว่าไม่เป็นสิ่งที่จำเป็นไปสุดต้องพยายามมาอบรมเพื่อเราหรือเพื่อครูบาอาจารย์จะสั่งสอนจะพูดอะไรให้มันรู้เรื่องกันขึนี้นี่เดียวกับการประชุมกันในมิดรมีประโยชน์อะไรที่ยังไม่ถูกต้องล้วควรแก้ให้มันถูกต้อง อะไรที่มันผิดในดูเรื่องเราจะรู้จักความผิดอนนั้นดีทั้งนั้นนะท่า น, นจงพรกการเข้าใจให้เข้าใจในการกระทาในวันนี้เรียกว่าการทำอุโบสดเป็นเครื่องที่ให้ตรวจพวกเราให้บริสุทธิ์พร้อมเพียงกันต้องพยายาม อันนี้เป็นจิตจําเป็นจิตที่ตายตัวเลยถ้าหากว่าเราขาดการทำโมโหส ด, ดวนวันนี้แยกกันนี้การทำโมโหสดเนี่ยมันควบคุมหลายดังให้แน่นแพรขึ้นในตรงนี้ต้องรู้จักฉะนั้นจิตนี้เป็นจิตโดยตรงของพวกเราธรรหลายที่จะต้องเอาใจใส่ นอกจากนี้ยังมีจิตอะไรต่างๆที่อะไรที่ยังไม่พร้อมจะยกขึ้นมาศึกษากันเอากันอย่างไรงนี้ศึกษากันไปดีๆยข้อวัดมันก็หมายเหอยบเรื่อยเหมือนมีดเรารับบ่อยๆมันจะมีคมบ่อยๆถ้ารอไม่รับมันจะเปิดปีป หงอกห่างออกสันหยิมเป็นเจ้าเรือนนั่นก็เข้าข้างสันหิมเท่านั้นแหละเป็นหนี้ ท, ทื่อันนี้เราในสังทงครูบาลอาจารย์มันจะแยกกันออกไปก็คือจทิศถิมนันแยกเปน็นกลุ่มแยกเป็นพูดไปอย่างอื่นตรวจไปอย่างอื่นความเหมืนไปอย่างอื่นแยกกันออกไปนี่เพราะอะไรเพราะขาดการประจุกัน ห่างไปมันไกลไปห่างไปไกลไปอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญไอสิ่งที่เราทําคนเดียวเนี่ยนะมันเป็นสิ่งสําคัญเนะี่ยอยู่คนเดียวเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่หลายคนที่มีคนเตือนกับคนที่มันมีคนเตือนมีสากันมากเลยถ้าจิตใจของเราไปถึงจุดยืนแล้วเนี่ยไปเะให้เข้าใจ ในใจที่การทำอุโบสถที่ี่มันเป็นแกนกลางของหลักศาสนาในโลกจนีงมันเป็นที่งที่สมบูรณ์จาสนาจะเตอมเติอมอะไรก่อนเติมพระบิดาเตอมการรัฐธรรมอุโบโสถที่ก่อนก่อนเพื่อน พระไม่ทำโอบอสดกันแล้วแยกกันอยู่แล้วนั่งแหละเชื่อมแล้วการทำโอบอสดมันมีสองอย่างการทำโอบอสดอยู่แที่ถูกต้องก็มีที่ไม่ถูกต้องก็มีอย่างการทำโอบอสด แบบตวจปาติโมก็ดีอะไรก็ดีเรียบร้อยทุกสิบเดือนแต่ว่าเราไม่ปฏิบัติตามพระดินนยอันนี้อันนี้ก็ไม่เป็นปาธิโมกอันนี้ก็ไม่เป็นิโมเสียเสื่อมแล้วแต่เรามาถือเอาการกระทำนั่นน่ะมันไม่เสื่การกระทำนั้นมันไม่เสืนนม แต่แกนการมันนั่นหมดแล้วไม่มีไอความหมายมันน่ะไม่มีนะแสดงถึงสิบห้าสิบห้าวันมาตอนพรปฏิโมกมาแสดงแต่ว่าในพระวินัยนั่นน่ะในพระปฏิโมกนั่นขั้นห้ามอะไรบ้างในรู้เรื่องทําอยู่ตามเคยนีนเนย่เคยทําอะไรก็ทําอยู่ตามเคย เคยเคยกินข้าวเย็นกับกินอยู่ตามเคยเคยขุดดินก็ขุดดิ้นอยู่ตามเคยเคยค่าขายอยู่ก็ค่าขายตามเคยเจว ะ, ะแสดงปฏิมโมกมาอยู่ถูกต้องดีถูกทีคาระจะเยอะเกินอืเนี่ยเจว่ากินข้าวเย็นไม่อยู่เจวะขุดดินไม่อยู่ัดฆ่อยู่าขายไม่อยู่ เล่นนอกทีนอกล อ, อ, อยไม่หยุดทั้งแสดงปฏิโมคก็ไม่หยุดทั้งฝ่าฝืนปฏิโมคก็ไม่หยุดนทำเปล่าทำไปก็เปล่าท่านนี้อันนี้ประเดียกว่าหมดหมดปฏิโมกเนี่ยหมดการทำโมโบสถแล้วคือทำโมโบสุมันไม่เป็นโุโบสุ แต่เราถือการกระทาเราเลยทำอยู่ฐานที่ว่าไม่ถูกต้องมันไม่เกิดประโยชน์มันไม่เป็นอุโบสถนี่เรียกว่าเชื่องแบบนี้แบบนึงก็เรียกว่าไม่ต้องแสดงปฏิโมก์หรือไม่ทำเลย มันจะไปรูปไหนประั่างมันอยู่เป็นรมธรรมดามด น, นี่ก็ะเดี๋ยวไม่ได้ทำปาฏิโมกย่างนั้นศาสนามันเสื่อมไปเพราะคิดอยนนี้ทำปาฏิโมกไปครบองค์มันไม่สำเร็จประโยชน์มันเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ ทุกวันนี้ก็ยิ่งจะเป็นขึ้นแล้วเป็นขึ้นซึ่ง่ะมาทรบมโบวชตอนนี้พระก่อนมีนยามนะก็พกเงินมาพกปัจจัยมานคนนั้นก็พกมาคนนี้ก็พกมาใช้เงินใต้ทองกันโดยที่ว่า ไม่ได้คานึงถึงภายในเลยถึงวันแสด ง, วงวปวดจมูกปกดแสดงนียมันถูกสองทีพระรัไมีเคยอันนี้ก็ไม่เคยประโยชน์ในการแสดงไม่ละทําแต่ว่าไม่ปฏิบัติเอาทเที่ยวแต่ว่ามอจิตทำนาแต่ว่าไม่เกี่ยวรติ มันก็ไม่เกิดปรยชน์อะเปล่านิังนั้นคำจริงสระเสรินแบบการประชุมกันยังนิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญ ข, ขาาึ่นหลักของคุกตะศาสนาจอเกินอันนี้ขอให้พระสงฆ์เราเข้าใจกันให้เข้าใจพยายามที่สุดถึงแม้ว่า วันนี้ได้ฟังปาฏิโมกข์แล้วก็อยาก้อใจว่ามันแล้วไปถึงวัดไปป็นที่เราจงิบเโกว า, าัดมาอ่านอ่านที่มันสงสัยข้อไหนจำไว้มาเรียนครูว่าอาจารย์จนมันได้เป็นที่พอใจของเราอย่างนั้นก็รู้จักอาวาัติเป็นนวัตไหมเรียกว่าเป็นนวัตไหม เราปฏิบัติถูกต้องไหมย่อมถูกตกองมันตรู้จักถึถ้าเราไม่เรียนไม่ศึกษาไม่เอาใจใส่ไม่อึดเพื่อมันจะรู้อะไรไม่รู้นั่นคือว่าไม่รู้เพราะไม่ศึกษาเราจะไปถือว่าฉันไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้จะต้องศึกษาต้องฝึกอันนี้เป็นลักษณะที่เราจะต้องปฏิบัติให้เอาใจทุกคน ถาหากว่าเราไม่ประชุมกันนี่มันมีต้นมีปลายมันมีพระมีมืพูดก้าวไกลมไม่รู้จักอาวุโส<ม>ไม่รู้จักพระอ่อนพระแก่มไม่รู้จักครูบาอาจารย์ไม่รู้จกักอะไรอะไรนั้นไม่ไม่รู้จักเหมือนเหมือนคนที่ไม่รู้จักอะไรถึงแม้ว่ามันย่อหย่อนในสิ่งทั้งหลายแบบนี้ ยัญญาเมลยานาาาของผู้ไม่เอื้อเพื่อไม่ประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่เป็นที่น่าเลื่อสายของครูบาอห a j ย์ของประชาช น, า ท, นาทั้งหลายควรเน้นจับตัวของเร า, าผูกคนเพื่อพวกเราหน้าขึ้นและหาทั้งหลายกะจายไปมากขึ้น เมื่อมันมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละมัครมหมดไรแล้วมันไปคนอาทิตย์มันไปคนละทางเรื่องในปเวล า, านี้อาฉะนั่นจร่งจร่งวัดประพงศ์นี่มันกว้างจะต้องอาศัยคนพระที่สําคัญอยู่หลายองค์เป็นตรงเนี้ยผมอยู่ปิดโบดถ์ผมก็จะพยายามที่จะจังคนแก่จะอบรมเด้อยสมาธิถึงเวลาค่ำให้มารวมกันที่โบสถ ทุกวันพยายามทุกวันฝึกญาตกลาเนี่ยท่านอาจารย์ชูอย่มีตรงที่ลงทำให้นําิ้งเวลาแล้ะให้สัญยามนำสวดมนต์ทำวัดสุดท้ายโน้นกันนอนาเารย์ียมให้ปฏิบัติเข้ารวมกันเข้ารวมกัน คือจะหาว่ามันขัดข้องอันก็ต้องมีอาจารย์ญญหนุนนะเพราะว่าสองสามองค์ต้องพยายามย่ายให้มันขาดพยายามที่ดุดพยายามที่ดุดนอกจากนั้นก็มีพระในหลายองค์อะครช่วยกันช่วยกันแลการประชุมกันในยีราที่มันสำคัญก็ดีว่บพระที่สำคัญนันต้องเอาใจใส่เพื่ออะไร เพื่อเป็นตัวอย่างของพะรุ่นรุ่นหลังเนี่ยถ้ายอย่างนั้นก็ชี้ว่าไม่จูงใจกันไม่อบูนกันยกตัวอย่างเช่นว่า ต, ตรงๆไปเช่นว่าท่านอาจารย์ข้องอยู่กับผมมานานเขาไม่ได้ขุดผมาไม่ไดว่าปล่อยดูไม่ว่าจะปรับตัวขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่เคยปรับก็อยู่นี่ การทำรรโบสถก็ดีการบวชนาคก็ดีการประชุมอะไรก็ดีนะมันน่าจะช่วยสูงเป็นหน้าเป็นตาให้เป็นที่เขารคจักรละ บ, บูชาของนวตถุที่เคงจะมาจัดการอันนี้อันนั้นให้เป็นหูเป็นตาแทนครูบาอาจารย์ควรจะขึ้นมาก่อนีน่เรากําลังคล่องแคล่อทั้งหลายอย่างนี้อันนี้โอ้บางทีวันอุโบสถจะไม่อยากจะมา ปวดหน้ากันี่ไม่จำเป็นเหนือนอนอนเฉยๆก็ไม่อยากจะมาเนี่ยมากะมาเนาะัวนเราเส็แ ล, แล้วมาค่ายไม่มีสถานอันนี้ผมมันไม่ดีแล้มันใหญ่เกินไปมันใหญ่กว่าสงมันใหญ่กว่าภูบาจารย์ปีนี้ผมในตั้งใจเลยสอนไม่เคยได้ทำอะไรทต่น์วอย่างอื่นเขาทำดี เจนนางศิษย์นนมีถายภาพจะไเด้ไ๋ได้ทายหนังน่ยจอบใจเขาม่ามันไม่ใสิ่งสาคัญ น, นั่นน่ะมันเชื่อมกันนั่นถ่ายจะไร้ทายหนังถ้าถายอะไรพวกพระนี่จะชอบด้วยพระเรียกเงี้ยนน้อยขอไปเอเอเออผมไม่เคยไปดูเลยมันชอบอย่างนั้นที่ดีบางคนมันชอบอย่างนั้นผมก็ว่ายผมก็ดูอยู่เรื่ อ, อยเลยผก็เป็นอย่างนั้นถ้ามันเจริญเปนมากประยุดนะ อย่าบ่อยครั้งนยุตลงถ่ายถึงวันที่จะไปสมมติเสมาบ้านบกืนอนอกอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่คัะควรสงส์ช่วยกันผมก็จัดให้คณะองค์นั้นธรรมนั้นนั้นช่วยกันทุบไม่เเหียเไม่เป็นไข่ในมิงานจำเป็นถึงเวลาที่จะต้องคำกรรมนั่นนะไม่ไปที่เสมาแสดงว่าฉันไม่พอใจแสดงว่าฉันไม่เห็นด้วย แสดงว่าฉันไม่คารบในสูงหมูน่นี้ไม่คารบนักอาจารย์ไม่บอกเราผูเห็นว่ามันเก็ดอย่างนั้นไม่งานที่จะประสานกัรดตัน ต, ติ์ติดต่องผมเลยว่านะวันนั้นผมก็มาทวงผมก็พูดตรงตรงไปเลยนะีเห้นอยู่รับนสะารภาพขงผิดตาไหลอันนี้ผมบอกแคอนั้นนนะนนแต่ว่า ดูมาสักไม่กี่วันลาไปสูงเงาหมดจิตดีแล้วไปสูงเงาเนี่ยก็ไปสูงก็ให้ฟังผมก็มีว่าลองไปดีลองไปอยัอยกจะให้ไปเลยสุงเนงะานอนแค่อยู่ในวัดต้องกบฟงนี่ไม่ไม่ทําอะไรอย่างนี้นะอันนี้ไม่ใจนินทาท่านดอกเดี๋ยวท่านนี้ เขียนนังคือก็ดีให้ทําอะไรก็ดีนะอย่างแต่ว่าใจมันเป็นเด็กไม่เป็นผู้ใหญ่ใครพ้าไปทํางานด้วยใครไปทํางานด้วยนะหนีนนเท่านั้นคุ้มก็ไม่เขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่หรอเป็นาพาะที่ว่าให้รูกจิดตัวหาง่ายๆแล้วถ้ามันไม่เต็มทีมันก็เลยว่าถ้าหากว่าถ้ายิางนะฮะมันถูกเลยถ้ายิงไม่ถูกไม่ยิงแบบ โป้งก็ไปมันถูกเปียกเลยถ้าไม่ถูกไม่ยินนิใสใยตอบเป็นอย่างนั้นบางทีจะเกลื่อนเพราบางทีเราพอใจผิดผูกกับี่จงอยูกันเป็นนานๆบางครั้งงูสงจนไม่พอใจว่าผ ม, มนั่นะเรียกอะไรเป็นนานเมื่ออะไรจะทําอย่างนั้นเมื่ออะไรทำอย่างนี้ก็มีในการม่ควาใจครับเรื่องอันนี้เรื่อ ง, องพิจรารณา เร่องยีงโป่งไม่ถูกเลยอย่ไปยิงมันผิดมันเสียนเมื่อชะลอยชะลอไปมันเป็นอย่งนั้นเป็นก็เขาผิดเราไม่ผิดตรงนั้นเป็นอะไรบางทีก็เป็นใช่เวลาอั น, นั้นมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นควรเปลี่ยนยนิสัยวันอุโบสถพระควรใส่ใจทุกคนทุกคน ควรมาขวดัดควรมาทํามาตั้งน้ำชายมาตั้งน้าขันอะไรก่อนพระเดี๋ยวะให้ครูวาจาันเบาอุปกรณ์อุปกรณ์เห็นไหมขวัดโบดขวัดตรงขันตั้งนับให้เหนังกันว์มั น, น, นเรียบร้อยมันเป็นสิ่งที่สำคัญจิต่งส่งจะต้องต้องดูแลอันนี้อีกอันนี้ผมอยู่กับครูวาจาันผมคารมมากที่สุด อยู่ก็บพระแก่ๆเนี่ยไม่ได้ทำพาพราะพระแก่ๆวกทำามเรียวผมนะเป็นบรรพชัยผมมาเลยมาจัดมาท ำ, ทำทำแล้วมันสบายใจเองมันฝองสายใจสบายเลยทำจิตแบบนี้เมื่อหมดธุราแล้ววัดอุโบโสถตั้งน้ำใช้น้งสันแ็ดหาเหมืองว่างแอบแยงขารเดินอยู่กลมอยู่ทำกิตสบายใครไม่ทำผมก็ตั้งใจไว้แล้ว เี็กี่จะต้องฟังอันนี้มันมเป็นกิจสิ่งสำคัญที่ควนรู้จึงนั้นในประกุบันเข้าใจถ้าหากว่าเราพระที่พระเกานะ่าไม่ชี้ทางบ อ, อกไม่เอาใจใส่เด็กคนก็ไม่ดูเรื่องไม่ดูเรื่องมันก็ไม่มีใครพักให้มีในตำกว่เรื่องเยอะไปอย่างนั้นต้องเคาโอกาสกันพระทุกองต้องพยายามฟัง แยาก็ขอพระอาจารย์พกโวง์ขอให้เตือนไม่มากก็ตำน้อยเรียกเอา้าเรียกทำนั้นทำ น, น, นี้เรียกสอนให้รู้จักกันก่อนนั่นนหะที่เราได้บอกแล้วได้สอนแล้วน่นไม่ทำเนี่ยเป็นเรื่องของกฎคนนั้นอันนี้เป็นจริงสำคัญนะครับเป็นจริงสา ค, ค, คัญหรืเสียหาย อันนี้พวกเราอยู่ไปจะต้องไม่สบายถ้าทิ้งการมาท่า น, นี้ต้องที่เจรินาคือหมายก็ว่าคนมีปัญญานี่ยมันน้อยสิครับคนมีปัญญาน้อยเราดูเถอะคนโง่นี่ยมันมากคนมีปัญญามันน้อยเราทําอะไรเห็นเน่ยอยู่อยู่เขาเดือดไม่ใจเรื่ อ, องดเขาทำเขาไม่ทําเนยเขาสบายคนในโลกเอง จะจะคิดอย่างไรที่เราจะต้องทำให้น้อยที่เราจะไม่ต้องทำมันนั้นให้เพื่อนเขาทำให้มากเราจสทำให้น้อยคิดอย่างไรจะให้มีให้เพื่อนทาเราจะไม่ต้องทำมันต้องคิดไปในแย่าง่ีนี่คนที่เสียอันนี้ให้เข้าใจผมเคยปรนนาที่อยู่ทางไายเพื่อนทางไหนว่าผมเนี่ยทุกวันมันเสีย ใมองไม่ค่อยดีความจำไม่ค่อยดีละเดือนผมยอมเสมอมีมนให้ช่วยกันให้เระจใจถ้ า, งาเ ง, งินเสียหมดดูวัดเราที่ไหนที่ไหนเข้ามากันรปัจใจเงินทองฝากมาเข้ารงมรัวฝากมาบำรุงพระฝากมาอะไรต่าไรเขาเห็นพระเดืนมัดเราอยู่ในป่า สงบระงับใจัหใจปฏิพัตปฏิบัติใหญ่เขาเข้าใจดีต้องพยายามปรับปรุงตัวเราให้มันดีขึ้นให้เข้าใจให้เข้าใจคนใค้รู้จักคนต่รักคนไปติดต่อคนด้วยความเือมนั้นอย่าทำ ยาอยารับมันไม่ดีหรอครับไม่ดีทำไปแล้วมันไม่ดีเสียหายหลายอย่างเสียหายหลายอย่างไม่ดนะีเราพยายามท่อมตัวคอบตัวในการพูดในการอะไรทุกทุกอย่าง พยายามพูดตรงไปตรงมามพยพายามควบคุมเจพาของการปฏิบัติพยพายามควบคุมเจพาของจะพูดตรงที่ต้องมาควรจะทำนีควรคศึกษาสู ว, วาจานไหมที่อย่างให้เข้าใจครับให้เข้าใจอย่างนี้คือพูดให้มันดูเรื่องกัน มันดูเรื่องกันให้เข้าใจถึงเวลาและปฏิบัตเรื่องการอิสระบาตรเราเห ม, มือนกันใครจะไปอิสระบาตในกลุ่มไหนก็ให้บอกกันพูดกันให้มันเข้าเรื่องการจะไปเวลาไหนอะไรให้มันเข้าใจกันใครจะไปปรนกลางบ้าง ใครจะไปวันตันทร์บ้งวันจันทร์มั่ ง, งไปวิราเทอรไรมีใครว่างถึงวิราเลยไปไปคอยกันที่ไหนรอท่ากันตรงไห น, นก็ต้องบรรลุเชื่องกันในย่าหนึ่งนนนเ น, น, น, นี่โอ้ยไ่ง่าเนาะไปดินสวรรค์วันจันทรใครจะไปเอาข้า ว, วมากินอะไรก็ไปไปคนเดียวบางคนไปเอ อ, อกมาแล้วคนนี้กาลังเข้าไปอยน วุ่นวเหมือนตัวหนา้าตงจอกมันขนออกกไก่ือบ้านตอนนี้ว่ายแบบนั้นมันก็ไม่ใช่พระที่จับการจับเวลาันน้ขนาดนั้นยังไม่รู้จักให้เข้าใจท้งนั้นอย่างนี้นนยพยายามควบคุมตัวของเรามอง มันถูกเป้าหมายที่เราจะต้องกระทำมองมองดู ร, รอบๆดูครับไปหน้ามาไม่มว่าจะมีแล้วเลพยายามเถอะพยายามเถอะเมื่อผมยังมียิยิ้มเนี่ยพยายามเถอะกำลังคงจะช่วยได้เป็นบางสิ่งบางอย่างที่ผมยังอยู่นี่ สมบูรณ์ไปอยู่บ้านน้องโกน้อมจะอยู่บ้านน บ, บุษอยากให้ปจนะัจจัยกับคู่กับคนให้ปัจจัยอันนั้นมันที่สองสิบที่ชายแดนต้องไปยืยาวดูนี เมื่ออยากพบครูบาอาจารย์ก็พยายามมากนานๆกมาทีมาทำมทุโสถกันสักมารวมกันดึกดืนะต้องคืนนะสับไปเป็นเวลาที่เราจะต้องเลยประชุมกันดูเรื่องกันติดต่อกันแล้วก็ที่ได้อยู่เป็นกลุ่มก้อนก็ระวังหนึ่งฆ่ากันตุ ก, กระทันมา บางพระบางมูนก็เคยเข้าไป่ชอบไปคุยไปไหนคุยเรื่องเรียนสารประโยชน์นะนะคุยไม่ได้เรื่องเลยลาวเสียหายท่ากันจุกามาเราจึงคารวะท่านมาจากไหนเรายังไม่รู้ท่านก็ไม่รู้เราเราก็ไม่รู้ท่านจะต้องอยู่กันไปโดยที่เรียกว่าอาคันตุกาวัด อาวาสิกกวัดคนทำอย่างไรให้เข้าใจบางทีกว่าพากาันตุกะชั้นจรมาแจกลายกั่พระวิหูโด ย, โอยชอบใจเห็ น, นไหมพาาระกันตุ ก, กาเทวมานที่หนีไปประมาณสองอาทิตย์เ่็นไหมไม่อยู่วัดแต่ปลอยทำนี้นไหมนั่นพระยังไงอย่า ง, ไไงนี้นะ นั่นแหละเป็นเงื่อนไอคนที่ไม่เคยรู้จักมันถูกอารมณ์เนอะนี่จังหวัดนั้นมันสนุกเลิศเกินนันนั้นมันสนุกเลิศเกินตรงนั้นมันรวยอือตรงนั้นมันรวยเขาถวายปัจจัยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นแม่เขาดีเลิศเกินในอาหารที่นั่นดีที่นั่นดีทั้งหมดเลยอยากจะไปไปเลยนี่ เขามาปล่อยอารมณ์ในใจของเราเดยอยู่นะเขาคบที่คนหน่งบางทีก็ไปเดีวนะั้นตามไปเลยมาลาสูวาอาจารย์ไปบางทีก็ลาไปที่ต่างกุ๊บอ่าน น, น, นี่นมีหนังสืออ่านเขียมีแผนที่เลยสปพบกันโน่นเอาอยู่แล้วแน่มันเสียอย่างนี้เลยมันเสียอย่างนี้ พวกเรามาันเสียกันยังนั่นเ่ยมากเสียหายเสียหายไปมันไม่คุ้มตัวไม่รู้จักจะไปอะไรที่ไหนจะต้องศึกษาครูบาอาจารย์ จะต้องพิจารณามันยากอันนี้เป็นสิ่งสาคัญเราบวชแล้วอย่างน้อยห้าพัษาต้องพยายามอยู่ศึกษาพระธรรมไใน ดูแผนที่ที่เราจะต้องปฏิบัติอย่างไรเดินอย่างไรทำอย่างไรตั้งปัตถุทาอย่างไ ร, งงไรให้มันดูเรื่องให้มันฉลาดให้มันคมตัวให้เข้าใจ สมัยนี้มันยิ่งระวังหลายบ้านเมืองเนี่ยกระวนกระวายทั้งพัะอากัรตุกตาทั้งคนอัการตุกษะเนี่ยเราจะต้องระวังด้วยอย่าพึ่งไปให้ร้ายอย่าพึ่งไปสรรเสริญให้ดูให้สะกดรอยจับ มันเกิดภัยปิบัติในเวลานี้มีมัน ม, มีทางที่ยืนดืนทางฝัดใต้มีเพื่อนที่สุมาเล่ฟังมันฝ่ายคงกันข้ามมันดีอย่างนี้ มุ่งจะจบทางประมาอาจารย์ใหญ่เสียหลายแต่ทําลายโดยมากมาเป็นพระมันในใกล้คิดมันมาดูอะไรต่ออะไรหลายอย่างสองมาเป็นชีเข้ามาใกล้พระโดยมากก็เข้ามาใกล้พระอาจารย์สิ่งดีเข้ามาใกล้ เวายวของเกตบไก่ให้ของเก็บไก่เอาอกเอาใจทุกอย่างมันมาเรียบร้อยมันในใกล้คิดมันมาดูอะไรต่ออะไรได้อย่างสองมาเป็นทีเขามาใกล้พรบโดยมากก็เขามาใกล้พระอาจารย์สิ่งทีเขามาใก็บไก่ถาไว้ของเกตบไก่ให้ของเกตบไก่เอาอกเอาใจ พบจย่งจนมันเรียบร้อยจนมันอยู่มือมันไดมันพบไปที่ไหนก็ได้เลย น, ะนลีอันนี้ประสาทจนจนกว่าที่จะธรรมนาจารย์ต่างๆให้ประชาชนเห็นถ้าประชาชนเห็นแล้วมันก็เอาเออกไปจอยเท้าออกไป มัดนั่นเป็นยังไงวัดนี่นเป็นเห็นไหมเป็นยางงเป็นยางไงมันชี้วอกไปแต่เป็นเหตุ ม, หมันสะท้อนกรบมาหาพวกเราพวกศาสนานจะต้องให้นาวางตัวมีความเสียหายมากมนี่กเหมือนกิเลสเป็นเี้ยใช่ไหมถ้าใครรู้จักเรื่องของกิเลสเรียกว่ารักษาตัวได้ือควองรู้สรัในาิีของเรา อันนั่นก็เหมือนกันแต่เป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นลูกเป็นร่างภายในจิตมันเป็นความรู้สึกนึกคิดมันก็อันเดียวกันมันเป็นรูปมันก็เป็นนามมันเป็นนามมันก็เป็นรูปมันอยู่ด้วยกันถ้าใครคุ้มตัวจริงๆมันก็เอาไม่ได้ เราอยู่ร่วมกันจะเป็นแจะทําอะไรจะพูดอะไรประการใีเดือให้มันเป็ประโยชน์อย่าไปพูดสิ่งเสี้ยาที่มันเป็น แ, บบแย่แยกกันให้เรารู้จักคุ้มครองของเราคุ้มครองพูดอย่างเช่นว่าอาจารย์ชูอาจารย์เม่ยมเป็นต้น หือผมในนี้เป็นตัวอย่างยกตัวอย่างขึ้นบางคนมันโดนอาจารย์เรียรมันมีพอใจเนี่ยจะมาพูดอาจารย์ครูฟังบางคนก็มันไม่ไข้ชอบอาจารย์ครูมันก็ไปพูดอาจารย์เรียมันเป็นต้นอาจารย์ครูเป็ น, นอาจารย์เรียมเป็นเนี่ยเราเป็นครั ว, วาอาจารย์ฟัง เรางจับมันถางในที่เข้าทางโน้นทานี้เลยข้านี่อย่าไปพูดเรืงอันตรีเนอันนี้อย่าพูดเรืองอันตีน่ไม่ครวรอาจารย์แตกกันยัม ย, ยมันเข้าไะไรอ ย, อย่าไปตามมันเลยอย่าไปสเสนอเสริมมันเลยไม่ดีดูตัวของตัวนั่นดีกว่า ถ้าหากว่าเราทําอย่างนี้ <c oughs> คิดเราเหมือนกันเราจัดมันแค้มันความคิดอย่างนี้เราตัดมันแค่มันในคิดคนเหมือนกันถ้าไปพูดเรื่องพูดราวของคนอื่นให้ให้เราความต่ประตามมันไปต่อไปนะไม่กันทั้งนั้นเนะมันจะนินทาพระนินทาตูบาอาจารย์เอ้ยไอเธอมันพูดเรื่องคนอื่นนะเนะ้ เรื่องของตัวมันเป็นยังไงเล่าตัดมันยังเงียบอยูนน่ยังเข้ า, เ, าเคยปฏิวัติอยู่กับผมหลายปีไหมนะยกตัวอย่างคือวมพีที่วัดตัวโพงมันพีสิตอนะเป็นไหนะใครใครเห็นบนะนะ้บางทีคุณเจ้าคุณนายมาเขามาเจ็บสิดใจมาเป็นพีเป็นอะไรมา ขจจสองเอาเอะไรมาถวายคนปให้เาไปถวายนมชเถวายอันอนั้นชนะีเตป้ายนั่นะนั่นะผมยิยิมระวางังนะูดระเบิดผมเห็นอย่างนั้นอันตรายเลยนะ่เพราะอันตรายหนะ่แต่ในฐานะขจจสทําทมันเป็นองให้กรนะทพอทาปุ๊บปกครอสั่งเลิก น, น, นั่นเกนไะม่ต้องเอาแล้วมันพอแล้วเลิก บอกบบที่ในวัดเลยนะผมเคยเศ้าทางไทมั้ยใครเคยมาติดต่อผ ม, มัหมคนเก่าคดให ม, ม่ไม่ติดนะครับผมมันมันไม่ติดครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรถ้าอะไรคนใดมาพูดเอ้ยไม่ไป จะต้องทาอย่างนี้มันมีประโยชน์อย่าไปพูดที่นี่ดีกว่าให้มันแตกให้คนนี้อิจฉาคนนั้นให้คนนั้นอิจฉาตัวนี้ไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีแน่นอนเลยไม่เป็นคำํนนคำพูดของศาสนาไม่เป็นคํำพูดของนักบลาเอ่ไม่เป็นคํำพูดของทัะปฏิบัติให้เข้าใจฮนระเรามาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าเรามาหา ปฏิบัติเอาอย่างนั้นให้เข้าใจเรื่องปฏิบัติเนี่ยคนที่พูดมากอย่าเขาไปใกล้พูดสองคำามคำในคทาเนี้นะอย่าเขาไปใกล้คนพูดมากคนพูดหลายอย่าเขาไปใกล้เอาในวันนี้ หให้มันเหลือจะการระตาหาโอกาสหาเวลาที่จะต้องเพ่งเพ่งพิจารณาข้อปฏิบัติของเราให้มันให้มันเชื่อใจเ๋้าของเลยคูณง่ายจ๊ะให้มันเชื่อใจเจของให้มัน ให้มันไอ้มันเป็นที่พอใจของเราในการปฏิบัติของเราเราพบแล้วริยังถ้าไม่พบต้องตกพยายามห้จริงที่เราต้องการจะหมายทุกวันนี้มันก็เลยว่ามันยังดูอัติวัตเรามันสงบที่คนคนที่ เดี๋ยวที่สงบคนที่อยา ก, กทอ่จะสงบนะทีาจะเข้ามาคนเข้ามาทั้งหลายจะมาทำัวามสงบตรงนี้เพราะตรงนี้มันสงบก็คือจะมาทำลายที่นี้มันมันบุบวายตัวเองละง่ายง่ายนะเดีต้องรูจัดอย่างนั้นใจเราก็เหมือนชาเราคิดว่าเห น, นื่อยมลน่ยตรงนี้นั่ง่นั่งแร่ตัวสาคัญแรวที่เดือดใหญ่ตรงนี้ ได้จะเห็นตามมันเลยเออจนกว่าจะมนเห็นพอดีพอดีพอดีสึ่งออกมนมันนึกเปลี่ยนพระองนันเปลี่ยนเรนนีแน่ตัวสัมพันนะระวังไมดีอคิดไม่ถูกทาไม่ถูกปฏิวัติไม่ถูกนึกไม่ถูกมันจบพระตรงนี้มันอบเรนตรงนี้บางทีมันเป็นวที่เอาใจไร่างไมันรักมันชอบมันนี่นี่ก็ไม่ยึดยึดช้าทีทเหมือนกัน มันตรงได้มันยกขนาดนี้จะทําไงไงามันเกลียดกบปล่อยมันเกลียดตนะั้งขาดสํารักกบปล่อยมันนะัดจ<อ>้างลองลองดูสีเสียหาให้เข้าใจเรื่องที่ับให้เข้าใจเรื่องควาติดเจ้าของอย่าไปตามมันดิให้รู้จักมันดิ